พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่11ประสูตรที่7ลักขณะสูตรสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตะวนารามของอนาถบินทิกะเขรหะหบดีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นตรัสแสดงมหาปุริสลักษณะ32ประการที่ทำให้มหาบุรุษมีคติเป็นสอง คือถ้าอยู่กรองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาปุริสลักษณะ32ประการมีพระบาทตั้งลงด้วยดีคือมีพื้นพระบาทเสมอไม่แหวงเว้าเป็นข้อต้นมีพระเศียรประดับด้วยพระอุณหิษะคือกรอบพระพัก Darwin. เป็นข้อสุดท้ายแล้วทรงแสดงว่า ลักษณะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะกระทำกรรมดีต่างๆไว้เช่นในข้อแรกเพราะเคยสมาทานมั่นในกุศลธรรมสมาทานมั่นในกุศลธรรมอันยิ่งข้อใดข้อหนึ่งเช่นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถเกื้อกูลมารดาบิดาสมณะพราหมณ์ และอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลข้อสุดท้ายเพราะเคยเป็นหัวหน้าในการบำเพ็ญกุศ ล, ลธรรมมีกายสุจริตเป็นต้นหมายเหตุการแสดงเหตุผลที่ได้มหาปุริสลักษณะแต่ละข้อในพระสูตรนี้ไม่ได้เป็นไปตามลำดับข้อและในที่นี้ได้นำมากล่าวอย่างย่นย่อที่สุดเพื่อสามารถย่อพระไตรปิฎกเล่มอื่นๆได้อีกมิฉนั้น จะต้องขยายอีกหลายเล่มแต่ขอเสนอว่าถ้าท่านผู้ใดสนใจจะอ่านเรื่องนี้โดยละเอียดอาจหาหนังสือปฐมมสมโพธิกธาถาฉบับที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตทิโนโรถทรงชำระซึ่งพิมพ์แร่หลายพอสมควรอ่านได้จุดสำคัญของพระสูตรนี้แสดงว่าการได้ดีไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆต้องประกอบเหตุจึงได้รับผล